พระอาจารย์ฤทท่านก็ตอนนี้ท่านไปสร้างวัดอยู่ที่สหรัฐบ้านเดิมท่านท่านอยู่เป็นคนรัฐเวอร์จิเนียท่านก็เลยไปสร้างวัดที่รัฐเวอร์จิเนียประมาณ3ชั่วโมงจากวอชิงตันดีซีเมืองเด็กซิงตันเป็นวัดป่าถ้าอยากจะไปดูเว็บไซต์ท่านก็เข้าไป forestdharma.org จะมีเป็นเว็บไซต์ของวดัดท่าน mm hmm. uh, forest dhamma d h a m m a ถ้าอยู่ใกล้ๆอยากจะไปทําบุญก็เชิญเดินญข้นฝูไปทาบุญที่นั่นเป็นวัดป่าเป็นวัดปฏิบัติ uh, yeah. ท่านก็เป็นิศรษฐหลวงุกหลวงตามาหาบัวท่านอยู่ตั้งท่านเข้าไปอยู่ตั้งแต่ปีสองสองพัน้าร้อยี่สิบ ถึ้นเงหลวงตาเสียชีวิตในบ้านปลายท่านเป็นพระอุปถัมภ์หลวงตาเป็นก้อยอยรับใช้หลวงตาติดตามหลวงตาไปท่าที่จะทราบประวัติของท่านตอนต้นท่านไปบวชอยู่ที่ประเทศศรีลังกาก่อนแล้วตอนหลังท่านได้ทราบว่าทางประเทศไทยมีพระกรรมฐานมีครูบาอาจารย์ท่านก็เลยมามาบวชใหม่ที่วัดโบออง หมใหม่แล้วก็ขึ้นไปที่วัดป่ามัณต์ัดไปขอหลวงตาอยู่ศึกษาเราก็ไปก่อนท่านสองปีล้วเข้าไปปีหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดท่านอยู่ท่านเข้าไปปีห้าสองศูนย์แต่ท่านอยู่นานกว่าเราเพราะว่าเราพอปีสองหกเราก็ออกมาแต่ท่านอยู่ตลอดอยู่ับหลวงตามาตลอด อันนี้ท่านก็บอกว่าปกตินิสัยท่านชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบยุ่งกับใครแต่ตอนนี้ก็ต้องทำภาระหน้าที่สั่งสอนก็เลยต้องเลยไปสร้างวัดนะครับตอนนี้มีกุฏิอยู่ประมาณเก้าหลังแล้วก็มีโบสถ์เรียกศาลาเดียวกัมีศาลามีมีโรงครัว มีอะไรครบถ้วนนะน้ำก็ใช้น้ำบ่อมีไฟฟ้ามีพระอยู่ประจำอันนี้ประมาณสี่รูปจะมีญาติโยมชาวไทยที่อยู่แถวนั้นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะแวะไปที่วัดไปทำบุญใส่บาท แต่ไม่ชอบอยู่ปฏิบัติธรรมชอบทําบุญส่วนพวกที่ชอบปฏิบัติธรรมก็คือพวกชาวต่างประเทศชาวฝรั่งชาวอเมริกันคนไทยชอบทําบุญชาวต่างประเท ศ, ช, เทศชอบปฏิบัติก็ต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายอาญาตอยู่ท ถ, ถ้าชอบปฏิบัติก็ไม่ก็ได้ทําบุญ ก็ยต้องชอบต้องอาศัยคนทคําบุญเนี่ยสร้างวัดอ่าอาศัยคนปฏิบัติสร้างวัดก็คงจะอดตายท่านก็บอกท่า น, นก็ไม่เคยมีบ้านเท่าไหร่ก็มีป่ปายเป็นป่าเขาเอย่างเนี้แล้วที่นั่นเขาวอกไม่ต้องสร้างหรือว่าไม่ต้องสร้างกําแพงเแล้วคนที่นั่นเขาก็ไม่ ไม่ก้าวไกลกันแล้วก็อยู่กันแล้วคนส่วนใหญ่ก็ซื้อที่ไว้แต่เขาก็ไม่ได้อยู่กันเขาอยู่ในเมืองกันมากกว่าอาจจะออกไปช่วงปลายสั ป, ปดาห์ไปพักผ่อนไปอยู่กับธรรมชาติก็ดีต่อไปที่นั่นก็นจะได้มีมิวมีที่ปฏิบัติมีที่พึ่งทางใจ เป็นการไปปลูกฝังรากของพระป่าไว้ที่ต่างประเทศ่อไปพระที่เข้ามาบวชมาศึกษาตอนนี้เขาก็ปฏิบัติไปเขาก็จ ะ, จะเจริญเติบโตต่อไปก็เป็นครูอาจารย์ต่อไปก็ไปขยายไปสร้างวัดที่อื่นต่อ นี่คือลักษณะของศาสนาพุทธศาสนาพุทธี้ตอนต้นก็บวชเรียนกับครูบาอาจารย์พอเรียนรู้แล้วก็แยกตัวไปอยู่ต่ามแห่งสถานที่ต่างๆแล้วถ้ามีศรัทธา ญ, ญาติโยมนิมนต์สร้างวัดก็จะสร้างวัดกันก็เป็น เป็นธรรมเนียมของศาสนาพุทธขั้นต้นท่านจะให้ศึกษาํำเรียนบวชแล้วก็ให้เรียนกับครูบาอาจารย์เรียนแล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติได้บรรลุผลแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมะต่ออันนี้ก็เป็นธรรมเนียมแบบนี้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมให้กับ พระพอพระก็ะฟังแล้วบรรลุธรรมาก็แยกไปกันคนละทิศคนละทางพระพเจ้าบอกว่าอย่าไปทิศเดียวทางเดียวกันสองคนให้แยกกันไปเพื่อจะได้ขยายกระจายธรรมะที่มีคุณค่าอันประเสริฐยิย่งให้แก่คนได้พบได้ยินได้ฟังกันมากก็ลเลยพระที่ท่านบรรลุแล้วท่านมักจะไปองค์เดียว แล้วก็ไปสั่งไปสอนญาติโยมก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของญาติโยมถ้าญาติโยมศรัทธาก็อาจจะนิมนต์ให้ท่านอยู่นานๆแล้วก็สนับสนุนในการสร้างที่พักให้กับป้าเนรต่อไปศา ส, สนาต้องมีการนำเรียนมีการสั่งสอนมีการศึกษาแล้วก็เอาสิ่งที่ได้นำเรียนไปปฏิบัติ วาเรียนอย่างเดียวนี้จะไม่สามารถทำให้บรรลุธรรมได้ยังเข้าไม่ถึงตัวธรรมการเรียนนี้เพียงแต่เรียนวิธีที่จะเข้าสู่ตัวธรรมต้องไปปฏิบัติเอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะเข้าถึงตัวธรรมมีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมปลุกป้้งรักษาใจดับความทุกข์ใจต่างๆได้ รู้จักวิธีนําธรรมะเข้าสู่ใจรู้จักวิธีใช้ธรรมะดับความทุกข์ภายในใจก็ไปสอนคนอื่นต่อคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาเพราะคนเราทุกคนมีความทุกข์ใจด้วยกันทั้งนั้นและนานๆจะมีคนที่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจนี้มาสั่งมาสอนมาบอกวิธี พอเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็เอาไปปฏิบัติดูเขาก็สา ม, มารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเขาได้เขาก็เห็นคุณค่าของพระเห็นคุณค่าของพระาศาสนาเขาก็อยากจะสนับสนุนสร้างวัดกันสนับสนุนใส่บาตรกันทํานุบำรุงวัดกันเพราะวัดนี้เป็นที่พึ่งทางใจ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะสามารถพึ่งได้สำหรับทางด้านจิตใจสิ่งต่างๆนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ดงนั้นเวลาที่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก็ทำให้สัตว์โลกมีความร่มเย็นเป็นสุข จากใจที่ร่วมร้อนจากใจที่ทุกข์ก็หายทุกข์ได้เนี่ยเพียงแต่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้บางทีความทุกข์ก็ดับไปได้เลยนี่คือเรื่องของของพวกพุทธศาสนาเรื่องของพวกเราที่พวกเรามาทําบุญนี้ก็เราก็ทําหน้าที่ คือเราปฏิบัติตามคำสอนคำสอนท่านก็สอนให้ปฏิบัติอยู่สามขั้นตอนขั้นแรกก็ให้ทําบุญทําทานแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปใช้ตามความอยากเอามาทําบุญจะเกิดประโยชน์มากกว่าจะทำให้ใจมีความสุขมากกว่ามีความอิ่มเอิใจมากกว่าการเอาเงินไปซื้อของตามความอยาก ซื้อของตามความอยากได้มาก็ดีใจเดียวเดียวแล้วเดียวก็อยากจะได้ใหม่ก็หิวขึ้นมาแต่ถ้ามาทำบุญแล้วความอยากจะซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นมันก็จะนดน้อยลงไปแล้วความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญก็อยู่กับใจได้นานกว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้ความสุขใจนั้นก็ยังกลับมาหาเราอยู่ เวลาไม่สบายใจนึกถึงบุญที่เราทำบุญที่เราได้ทำกับที่นั่นที่นี่มันก็ทำให้เราอิ่มใจสุขใจแต่ถ้าเราคิดถึงที่ที่เราเคยไปเที่ยวของที่เราเคยไปซื้อพอเราไปคิดถึงมันเราก็อยากจะซื้ออีกอยากจะไปอีกแล้วถ้าเราไม่มีเงินไปเราก็จะทุกข์อีกเนี่ยท่านยังบอกให้ใช้เงินให้มันถูกไปให้มันเป็นประโยชน์กับใจ ให้มันมีความสุขกับใจอย่าให้มันเกิดสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าใช้เงินตามความอยากมันจะเกิดความทุกข์ตามมาเพราะว่ามันความอยากมันจะไม่หมดได้มาแล้วก็อยากได้อีกพอไม่มีเงินจะซื้อมันก็จะทุกข์กันแต่ถ้าไปทําบุญแล้วมันจะไม่อยากซื้ออะไรทําบุญแล้วก็อิ่มใจสุขใจแล้วก็จะทําให้เราสามารถ ปฏิบัติขั้นที่สองได้ก็คือรักษาศีลได้เพราะคนที่ทําบุญจะเป็นคนที่มีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดไม่ชอบดื่มสุรายามเมาก็จะทําให้เราได้บุญมากขึ้นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี้คือความสุขใจนี้มัน มากกว่าบุญที่เราได้รับจากการทำบุญทำทานความสุขใจที่เราไม่ได้ทำบาปนี้เราจะรู้สึกสบายใจเวลาเราทำบาปนี้ใจเราจะไม่ค่อยสบายกังวลวิตกหวาดกลัวแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปนี้ใจเราเย็นสบายเห็นดำรวจก็ไม่เดือดร้อนเห็นใครก็ไม่เดือดร้อน กลัวเขาว่ากลัวเขาเห็นเราไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายมาหรือเปล่านี่ก็จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีกแล้วถ้าเรารักษาสีห้าได้ต่อไปเราก็จะอยากจะขยับขึ้นไปสู่การภาวนาสู่การทําใจปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบเราก็จะรักษาสีแปดกันได้ถ้ารักษาสีห้าได้แล้วรักษาเพิ่มอีกสามข้อก็ไม่ยาก ข, ข้อที่สามก็เปลี่ยนจากการหลับนอนกับสามีภรรยาก็ยึดละเว้นชั่วขาวเช่นวันพระถือศีลแปดกันก็วันพระเราอย่ามาหาความสุขทางร่างกายกันเรามาหาความสุขทางใจด้วยการทำใจให้สงบกันเราก็ต้องหยุดกิจกรรมทางร่างกายเช่นร่วมหลับนอนกันรับประทานอาหารข้ามอาหารเย็น แล้วก็ดูละครหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผ้ า, าทำผมถ้าใช้เวลาทำกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าเราถือศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาที่จะอยู่บ้านก็ได้หรือไปอยู่วัดก็ได้ถ้าบ้านเงียบไม่มีใครก็อยู่บ้านก็ได้ คือสถานที่นี้ขอให้มันสงบไม่มีใครมารบกวนเพราะเวลาจะนั่งสมาธิทาใจให้สงบนี่มันต้องไม่มีเสียงไม่มีอะไรมารบกวนเราดังั้นเราจึงนิยมไปที่วัดกันเพราะที่วัดจะอยู่กันแบบเงียบเงียไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะมารบกวนใจวันพระถ้ามีโอกาสก็ลองไปอยู่วัดดูลองไปหาความสุขทางใจดู เราถ้าใจสงบใจเย็นจะเห็นคุณค่ามากกว่าการที่เราหาความสุขทางร่างกายหนังละครเราก็ดูกันทุกวันละลองวันพระลองมาหาความสุขทางใจดูสักวันแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันรับรองได้ว่าถ้าเราทำใจให้สงบได้เราจะชอบความสงบเพราะพระพุทธเจ้ารับรองแล้วว่า ความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้เราต้องหาโอกาสหาเวลาเราลองมาชิมรสแห่งธรรมกันถ้าเราไม่ชิมเราก็ไม่รู้เหมือนกับอาหารเนี่ยที่ก็มีแถชวชนชิมเขาไปชิมมาให้เราแล้วเขาก็เขียนมาบอกว่าร้านนี้อร่อยเราก็ลองไปชิมตามที่เขาบอกชิมแล้วเราก็จะรู้ว่าอร่อยจริงหรือไม่อร่อยจริง พระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนแชลชวนชิมพระพุทธเจ้าไปชิมรสแห่งความสงบแล้วท่านว่ามันอร่อยอร่อยกว่ารสทั้งปวงใหดลองมาชิมดูถ้าชิมแล้วจะติดใจแล้วต่อไปเราก็จะได้ทำมากขึ้นเพราะว่ามันมีความสุขมากขึ้นแล้วมันง่ายกว่าความสุขทางร่างกาย ความสุขทางร่างกายนี้ต้องใช้เงินใช้ทองต้องหาเงินหาทองมาซื้อของต่างๆถึงจะมีความสุขกันแต่ความสุขทางใจนี้เพียงแต่ให้มีเวลาอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้วก็ให้มีสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดอะไรได้ใจก็จะเนื่งใจจะสงบเนชะ่นใช้คําบริกรรมพุโทโธไปท่องพุโทโธพุธโทโธไป ถ้าเราท่องพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้พอไม่คิดใจก็จะว่างเยน็นสบายที่เราทุกข์กันวุ่นวายกันก็เพราะความคิดของเราเนี่ยะคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเรามีพุทโธพุทโธอยู่นี่มันก็จะดับความคิดต่างๆดับความทุกข์ต่างๆได้เราจะเห็นคุณค่าของการมีสติการควบคุมความคิด แล้เวลาเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธไปเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งใจก็จะนิ่งสงบใจจะถอนออกจากตาหูจมูกปิ้นกายไปอยู่ในใจอยู่ข้างในพออยู่ข้างในอยู่ที่ฐานของใจนี่ใจจะมีความสุขมากอันนี้แหละเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเราที่เราไม่รู้กันะ เราถูกกิเลสหลอให้เราไปหาความสุขที่อยู่ข้างนอกซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขของเราเป็นความสุขชั่วคราวได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปเที่ยวมากลับมาบ้านก็หมดไปแล้ะซื้อของที่เราอยากได้มาดีใจเดี๋ยวเดียวหมดไปละเดี๋ยวต้องซื้อใหม่อีกลวแต่มานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าใจสงบแล้วเย็นสบายมีความสุข ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องหาเงินและไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายก็จะไม่เดือดร้อนยังสามารถมีความสุขได้เพราะความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติใช้พุโทโธถ้ามีสติมีพุโทโธอยู่ความหรือความคิดต่างๆได้ใจก็สงบแล้วมีความสุขแล้วลยิ่งถ้ามีปัญญายิ่งจะ ทำให้สงบอย่างถาวรสตินี้ทำให้สงบได้ชั่วคราวเวลาเผลอสติหรือเวลาออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็ก็เกิดความไม่สบายใจได้แต่ถ้ามีปัญญาปัญญาจะดับความไม่สบายใจต่างๆได้หมดไม่ว่าเราจะไม่สบายใจกับเรื่องไหนถ้ามีปัญญาเราจะเราจะสามารถดับความไม่สบายใจได้เพราะเราจะปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ เรื่องต่างๆนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงอยากไปอยากให้มันเที่ยงที่เราไม่สบายใจกันก็เพราะเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้คนนั้นอยู่กับเรานานๆอยากให้คนนี้อยู่กับเรานานๆแต่พอก็ไม่อยู่เราก็ไม่สบายใจเราอยากให้สามีเราภรรยาเราลูกเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราอยากให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่กับเราไปเรื่อย แต่เราไม่สามารถไปบังคับกันได้อพอถึงเวลาเขาจะไปเขาก็ไป ท, ทันทีแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราเราห้ามเขาไม่ได้เราเก็บเขาไว้ไม่ได้ถึงเวลาเขาจะไปเขาก็ไปแต่เราห้ามใจเราได้ห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์กับเขาได้ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องจากกันเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ พอถึงเวลาจากการก็ปล่อยเขาไปเพราะปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมปล่อยเรายังอยากให้เขากลับมายังอยากให้เขาอยู่ในความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราพระพุทธเจ้าบอกอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยากในอยากในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเราเราเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะ ทุกเพราะว่ามันเราจะต้องเจอของที่ไม่เที่ยงเจอของที่ไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราเรามาตัวปเปล่าเราาก็คือดวงใจดวงวิญญาณสิ่งแรกที่เราได้ก็คือร่างกายของจากพ่อแม่พอเราได้ร่างกายแล้วพอออกคลอดออกมาเราก็จะเริญโต แล้วเราก็ใช้ร่างกายไปหาอะไรต่างๆหาเงินหาทองหาสมบัติหาคนนั้นหาคนนี้หาสามีหาภรรยาหาลูกหาอะไรต่างๆไปแต่เดียววันหนึ่งร่างกายของเรามันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องตายไปเอมันตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวเราก็ไปตัวเปล่าๆเอาไปได้ก็บุญกับบาปที่เราทานี้เท่านั้นแหละ ถ้ามีบุญพาไปก็ไปสงบไปสบายไปสวรรค์ถ้ามีบาปพาไปก็ไปวุ่นวายไปทุกข์ไปเดือดร้อนไปอบายกันดังนั้นพระเจ้าสอนให้เรามาทำบุญกันนะโดยการทำทานแล้วก็ละการทำบาปด้วยการรักษาศีลกันถ้าเราทำบุญกันรักษาศีลได้ตายไปนี่เราไม่ต้องไปอบายแน่นอน ไปไปสวรรค์ได้เลยแต่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมไปหาความสุขทางใจอย่าหาความสุขทางร่างกายเพราะถ้าหาความสุขทางร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่ต่อแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ การเกิดนี่มันไม่ดีเพราะว่าเกิดแล้วมันทุกข์เกิดมาต้องดิ้นรนปา ก, กัดตีนถีบหาเงินหาทองดำรงชีพแล้วยังต้องมาทุกกับการความแก่ความเจ็บความตายมาทุกกับการพัฒนาอจากกันเองดังนั้นเราถ้าเป็นไปได้ก็หาเวลาไปปฏิบัติธรรมกันไปหยุดความอยาก ที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วมาใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือหาความสุขจะดีกว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เรามาพบกับพระพุทธศาสนาก็ขอให้ท่านจงน้อมเอาคำสอนอันประเสริฐนี้ที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นมาให้โลกได้เป็น ที่พึ่งสักครั้งหนึ่งนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ใครอยากจะถามปัญหาก็ถามได้ มีอะไรไม่สงสัยไม่หายสงสัยหรื อ, อยังรู้ไว้ทำไมต้องทำบุญทำไมต้องรักษาศีลทำไมต้องปฏิบัติธรรมต้องภาวนาเพราะมันเป็นประโยชน์สุขกับจิตใจของเราจิตใจเราจะได้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปถ้าไม่มีอะไรจะนั่งฟังต่อก็ได้หรือจะจ ะ, จะกลับก็ได้เดี๋ยวทางทางบ้านวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ๊กวันนี้สูงสุด350 350 35 35เลยคำถามจากคุณจารุวัฒน์ช่วงหลังๆทำสมาธิเสร็จแล้วสักพัก ร, รู้สึกตึงๆบริเวณระหว่างคิ้วไปถึงประมาณคางแต่ไม่ถึงกับปวดครับบางทีก็จะรู้สึกตึงแบบนี้ในเวลาปกติด้วยเช่นกันก่อนนอนจึงอยากทราบว่า อาการแบบนี้เป็นอาการผิดปกติจากการปฏิบัติสมาธิไหมครับควรจะแก้ไขอย่างไรแล้วเวลาจะถอนออกจากสมาธิควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องดูว่ามันมีสาเหตุมาจากไหนกันแน่มาจากการนั่งสมาธิหรือมาจากความผิดปกติของร่างกาย <c oughs> ถ้าเป็นเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิแล้วพอไม่นั่งหายก็ก็มาจากสมาธิก็ไม่ต้องไปกังวล เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของกิเลสบางทีมันชอบสร้างอาการอะไรต่างๆขึ้นมาถ้ามันมาแล้วมันหายไปเองก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันแล้วเวลานั่งสมาธิถ้าเกิดอาการก็อย่าไปสนใจให้เราอยู่กับคําบริกรรมไปหรืออยู่กับพุโทโธไปถ้าใจเรารวมเข้าสู่ความสงบแล้วอาการต่างๆมันจะหายไปหมดคำถามจากคุณจีราศักดิ์ ในการนั่งสมาธิกระผมติดปัญหาคือเวลานั่งสมาธิไปในระยะหนึ่งจิตจะนิ่งอยู่และรู้สึกว่ามีลมหายใจมีร่างกายซึ่งเป็นสมาธิแบบตื้นโดยจิตไม่ยอมเข้าพักในภวังหากทำหัดทอย่างนี้ไปเรื่อยจิตจะสามารถมีกำลังเพียงพอที่จะทำวิปัสสนาได้หรือไม่ครับก็ยังไม่ควรน่ควรจะให้มันเข้าเต็มที่ไปก่อนให้มันรวมเป็นอปปนาสมาธิ ถ้มันนิ่งสักแต่ว่ารู้ไปนานๆถ้ามันยังไม่นิ่งเต็มที่ก็ดูลมต่อไปหรือบริกรรมต่อไปจนกว่ามันจะเหมือนกับตกลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งสงบไม่ต้องทําอะไรมีความสุขมากเป็นอุเบกขาเราต้องการจิตที่เป็นอุเบกขาจิตที่มีความสุขไปใช้ในการทําวิปัสสนาเพราะการทําวิปัสสนานี้เป็นการสอนให้เรา เลิกหาความสุขทางด้านอื่นกันเพราะเป็นการหาความทุกข์เพราะความสุขทางด้านอื่นนี่มันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขจากสมาธิเราก็จะเลิกไม่ได้เพราะยังไงเราก็ยังต้องอมีความสุขอยู่แต่ถ้าเรามีความสุขทดแทนคือมีความสุขจากสมาธิมา มาแร้กับความสุขที่เราจะต้องเลิกมันก็เลิกได้ง่ายเหมือนกับถ้าเราไม่มีรถอย่างเนี้ยหรือเรามีรถเก่าอย่างเนี้ยแต่เรายังไม่ได้ซื้อรถใหม่มาเราก็ยังไม่ทิ้งรถเก่าเพราะถึงแม้มันจะเก่ามันจะมีปัญหาอย่างน้อยมันก็ยังพาเราไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าเราได้ซื้อรถใหม่ที่ดีกว่าเก่ารถเก่าเราก็ยกให้คนอื่นไปได้หรือขายทิ้งไปได้การวิปัสสนานี้ก็เพื่อให้เรา ยุติการหาความสุขทางร่างกายทางลาบยศรเสริญกันแต่เราจะยุติไม่ได้ถ้าเราไม่มีความสุขใหม่มาแทนที่แต่ถ้าเรามีความสุขที่ได้จากความสงบนี่เราเห็นว่ามันดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายเราก็เลิกหาความสุขได้เช่นคนที่นั่งสมาธิได้ก็จะเลิกเที่ยวได้เลิกดูหนังฟังเพลงได้เลิกมีแฟนได้อยู่คนเดียวได้ แต่ถ้าไม่มีสมาธินี่ยังไงก็อยู่ไม่ได้คนเดียวเหงาพออยู่คนเดียวแล้วมันจะรู้สึกเหงาว้าเวแต่ถ้าคนที่มีสมาธินี่อยู่คนเดียวไม่เหงาไม่ว้าเวกลับมีความสุขกลับอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่กับคนอื่นแล้วมันวุ่นวายมันยุ่งนี่คือประโยชน์ของการมีสมาธิถ้ายังไม่มีสมาธิไปทางวิปัสสนาไปก็ไปไปแบบไปแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะ เพราะจะไม่มีไม่มีกำลังที่จะตัดสิ่งต่างๆได้อะไรก็ยังต้องมีแฟนยังต้องดูหนังดูละครยังต้องไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อย่เพราะไม่มีความสุขในใจก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกแทนดังนั้นก่อนที่เราจะไปวิปัสสนาจริงๆนี่เราต้องมีความสงบมีความสุขทางใจก่อนถึงจะสามารถตัดได้ปล่อยวางได้ สิ่งที่เราต้องตัดก็คือความอยากต่างๆนี่ความอยากหาความสุขจากตาตาหูจมูกมิ้นลายความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญความอยากไม่ให้อความทุกข์ต่างๆเข้ามาในใจเราความอยากเหล่านี้มันจะทําให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรามีความสงบทางใจแล้วเรก็เลิกหยุดความอยากเหล่านี้ได้ไม่ต้อง ไปเที่ยวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเงินมีทองดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านอยู่แบบไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องไปเที่ยวแล้วท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับร่างกายด้วยร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วแต่ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ พอไม่สบายนิดนึงก็ไม่สบายใจล้ววุ่นวายกันละยิ่งถ้าเป็นไม่สบายงานานเป็นอามภาพกกระมภาสนี่ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันพออยู่ไปก็ไม่สามารถหาความสุขได้ <c oughs> แต่ถ้าเรา ม, มานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ถึงแม้นั่งกายจะเป็นอามภพกรรมภาสก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขในใจเราได้นี่แหละคือประโยชน์ของสมาธิที่ คนไม่ปฏิบัติจะไม่รู้จะคิดว่าไม่ต้องมีสมาธิก็ได้ให้มีปัญญาได้เลยอันนี้ไม่ใช่ต้องต้องต้องมีสมาธิกันถึงจะสามารถไปทางปัญญาได้บางคนอาจจะมีสมาธิมาดั้งเดิมแล้วก็ได้อันนี้เขาไม่ต้องนั่งก็ได้ ใ, ใจเขามีความสุขเขาไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆอันนี้ได้เขไปทางวิปัสสนาเขาไปได้เลยไปทางปัญญาได้เลย ถ้าใจยังไม่มีความสุขยังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนี่้วไม่สามารถไปปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางคือปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายโดยไม่หวั่นไหวอะไรจะทำไม่ได้ยั่นพยายามทำสมาธิให้มากๆก่อนพยายามให้จิตรวมมากๆอยู่นานๆให้มีความสุขแล้วเวลาออกมาก็ให้มัน ติดค้างไว้ในใจนานๆสมาธิที่ก็เป็นเหมือนกับน้ําเย็นที่เราเอาไปแช่ในตู้เย็นเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนเอาใจเราเข้าเข้าตู้เย็นดังนั้นสมาธิใจเย็นสบายพอจากสมาธิก็เหมือนกับเอาขวดน้ําออกจากตู้เย็นเวลาออกมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้นานๆาก็เดี๋ยวมันก็หายหายเราก็ต้องเอาน้ํากลับเข้าไปแช่ใหม่ ใจเราก็เหมือนกันเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆมันจะเย็นจะสุขจะสบายแต่สักพักหนึ่งเดียวมันก็จะร้อนเดี๋ยวได้ยินสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ก็จะร้อนขึ้นมาเราก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เวลามันร้อนเราต้องกลับเข้าไปให้มันเย็นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาออกมาถ้ามันจะร้อนก็ใช้ปัญญาแก้อย่างทาวนมันร้อนเพราะความอยากนถ้าเรารู้ว่า การทำตามความอยากมันจะทำให้เราร้อนและทำให้เราทุกข์เราอย่าไปทำดีกว่าเราอยู่แบบไม่ต้องมีความอยากก็อยู่ได้ต่อไปเราถ้าตัดความอยากได้ต่อไปใจเราก็จะไม่ร้อนออกมาก็จะเย็นตลอดก็ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะว่ามีปัญญารักษาใจให้เย็นให้สบายปัญญาจะสอนให้ใจปล่อยวางทุกอย่างเพราะทุกอย่างเป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราต้องเห็นตรงนี้แล้วก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เพอไม่มีความอยากแล้วก็ใจก็จะเย็นไปตลอดอะคําถามต่อไปคำถามต่อไปจากคุณปนมครับขออนุ ญ, ญาตสอบถามปัญหาธรรมขอรับปัญหาบ้านเมืองเกิดสกดรารวะกับพระพิสุสงิ์อยู่ขณะ น, น, นี้ควรจะวางใจเช่นไรขอรับก็ เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเครษของเรามีพอแล้วเศรษของเราก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่เราไม่ต้องไปยุ่งกับสึกของคนอื่นเรามาทำลายค่าสศกของเราดีกว่าคถามขอถามอาจารย์เวลาที่เรานั่งสมาธิถ้าเราแบบคือมันอยางนอนเลยมันจะหลับทายังไงดีคะต้องถือสีลแปดไงต้องไม่กินข้าวเย็นกันต้องผ่อนอาหารอย่าไปกินมาก ก็กินมากแล้วมันจะง่วงอีกอี้นคือคือเวลาเรานอนคือเป็นเวลานอนของเราแล้วเรานอนแล้วก็สวดไปเรื่อยเรื่อยป็นแบบคะไม่บาไม่บาก็เป็นยานอนหลับไปเอาใช่เป็นยานอนหลับได้แต่ว่ามันไม่ได้สมาธิเท่นั้นเองมันไม่ได้บุญมันได้หลับถ้าอยากจะได้บุญองนั่งนั่งสวด แต่ไ ม, ไม่ไม่อาศัยยาแต่อาศัยได้ก็เป็นยานอนหลับได้แต่ไม่ได้บุญไม่ได้สมาธิ่ไห ม, ม่ไม่บาปหรอกไม่บาปนั่นงค น, นที่นอนนี่จะบาปไหมไม่บาปเท่านั้นน่ยก่อนจะ้นั่งทุกครั้งเราเต้องสวดแล้วแต่เราอยากจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ตาใจมันฟุ้งก็สวดก่อนก็ได้อ่าถามต่อคาถามต่อไปจากคุณนิวครับ เมื่อเราได้ล่วงเกินหรือปรมามทย์พระสงฆ์ไม่ได้ตั้งใจเราควรทําอย่างไรคะถ้าทําต่อหน้าท่านก็ไปขอคำมาท่านเลยถ้าทํารับหลังท่านก็อย่าไปทำต่อไปก็แล้วกันคํำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสมศรีครับนั่งสมาธิจิตสงบยากเป็นเพราะบารมีเก่ามีไม่มากพอหรือเปล่าเจ้าคะก็สติบารมีสติเก่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสติมันก็ทําให้สงบไม่ได้ก็สร้างใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าเราไม่มีสติเราก็มาฝึกสร้างกันนะถ้าขยันมันเดียวเดียวก็ได้ละเอาทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าอย่าปล่อยให้มันคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็สงบได้คนถามต่อไปจากคุณอนิจังครับเรียนถามค่ะมีน้องคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าเข้าหาธรรมและนั่งสมาธิมาเจ็ดปีแต่เธอยังไม่สงบเลยเวลานั่งสมาธิ จะมีแต่ภาพและความคิดต่างๆลอยวนไปมาตลอดจนบางครั้งเผลอเปล่ามันทิ้งอย่างนี้ต้องทําอย่างไรครับก็ต้องสร้างสติขึ้นมานั่งแบบไม่มี ส, สติมันก็จะมีภาพอะไรต่างๆขึ้นมาวิธีสร้าง ส, างสตินอกจากพุทโธก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้วันก่อนมในีใครมาเล่าว่าสวดมนต์ไปสักชั่วโมงนี้โอยจิตเย็นสบายสงบเลยถ้าพุทโธไม่ชอบก็สวดมนต์ไปแต่สวดแบบ ท่องจำดีกว่านะอย่าเปิดหนังสือสวดสวดบทไหนก็ได้ที่เราจำได้สวดมันซ้าๆไปก็ได้กลับไปกลับมาสวดไปเรื่อยๆแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งมันจะไม่คิดมันจะมาสวดแทนการสวดก็เป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนกันแต่ปรุงแต่งไปในทางทางสงบถ้าเราคิดเราก็จะปรุงแต่งไปทางวุ่นไวายไปทางโลภโกรธหลง งั้นมาสวดมนต์ไปถ้าเรายังไม่มีสติยังพุโทโธไม่ได้ยังนั่งทำใจให้สงบควบคุมอารมณ์ควบคุมภาพต่างๆไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปนานๆต้องใช้เวลาสวดอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งถึงจะเห็นผลคำถามต่อไปจากคุณสืบพง์ครับการภาวนาขณะลืมตาหรือขณะยืนเดินนั่งสามารถเข้าถึงสมาธิได้ถึงขั้นไหนครับ และต่างจากการนั่งสมาธิอย่างไรครับ อ, อถ้าเราลืมตาแล้วเราอยู่ในเรียบบนที่ไม่ได้นั่งนี่มันจะเข้าสมาธิไม่ได้นอกจากยืนแล้วก็หลับตานี้ก็จะเข้าได้แต่ถ้าจิตยังถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่นี่มันจะทำให้จิตนิ่งไม่ได้เพราะจิตต้องทำงานจิตเป็นผู้ผู้ควบคุมร่างกายถ้าอยากให้จิตหยุดหยุดนิ่งก็ต้องให้ร่างกายนิ่งก่อน นั่งกายต้องนั่งแล้วก็ต้องปิดตาจะได้ไม่ไปรับข้อมูลทางตาเข้ามาเพราะเห็นเห็นภาพใจมันก็ยังคิดปรุงแต่งอยู่กับภาพที่เข้ามาให้ปิดตาแล้วก็มีสติควบคุมความคิดจะสวดมนต์ก็ได้จะพุโทโธก็ได้จะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อย่างไดอย่างหนึ่งที่เราถนัดที่เราทำได้ในช่วงนั้นแล้วถ้าจิตไม่ไปคิดเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ คำถามต่อไปจากคุณวชิราครับปัญญานี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างคะก็ต้องเกิดจากการศึกษาไงถ้าเราไม่มีปัญญาของเราเราก็ต้องศึกษาการศึกษาก็มีสองวิธีศึกษาจากคนที่เขามีปัญญาเช่นเราฟังเทศฟังธรรมนี่เรากําลังศึกษาปัญญากันเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามามาเรียนกันแต่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านปฏิบัติไม่มี ไม่มีครูอาจารย์ท่านก็ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็สามารถแต่คนที่จะศึกษาค้นคว้าได้ตนเองนี้หายากเพราะว่ามันเป็นของที่มันยากที่จะเข้าถึงได้ต้องฉลาดจริงๆต้องอะไรจริงๆอย่างเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์บางคนที่เขาสามารถที่จ ะ, ะศึกษาธรรมชาติโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเขารู้ได้ เชนนิวตันเนี่ยเขาศึกษาเขาถามตัวเองว่าทําไมผลไม้เวลามันหลุดออกจากขั่วทาไมมันตกลงมาทําไมันไม่มันไม่ลอยขึ้นไปหรือทําไมมันไม่ลอยอยู่กลางอากาศเขาก็ได้ข้อสรุปว่ามันต้องมีอะไรดึงมันลงมาเขาก็เลยได้ทฤษฎีว่าสิ่งที่ดึงลงมาเรียกว่าแรงดึงดูดของโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ก็เพราะว่ามีแรงดึงดูดของโลกดึงเอาไว้ พอไม่มีแรงหนึ่งดูดนี่มันก็จะลอยไปเหมือนกับเวลาที่นักบินอวกาศก็ขึ้นไปอยู่กลางอาวกาศนี่มันไม่มีความดึงดูดของโลกะที้ของทุกอย่างมันก็มันก็ลอยไปตามมันไม่มีอันนี้ก็เป็นเป็นการศึกษาด้วยตนเองอพอเขารู้ว่าอสิการที่เราบินไม่ได้ลอยไม่ได้ก็เพราะมีแรงดึงดูดของโลกถ้าเราอยากจะลอยเราก็ต้องหาวิธี ให้มีแรงดึงขึ้นไปให้มากกว่าแรงดึงดูดของโลกเขาก็เลยหาวิธีสร้างเครื่องบินขึ้นมาเครื่องบินนี้เขาสามารถมีแรงดึงให้ขึ้นมากกว่าแรงดึงดูดเขาก็เลยบินขึ้นไปได้ความรู้เพียงชิ้นเดียวนี้สามารถทำให้เกิดความรู้อะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้สามารถทำให้ผลิตอะไรทำอะไรต่างๆที่เมื่อก่อนไม่สามารถทาได้ อันนี้ก็เกิดจากความฉลาดของคนที่รู้จักคิดเองเหมือนกับสมัยก่อนคนเราก็มองในโลกมองโลกเขาก็คิดว่าเป็นโลกแบนเขาก็ไม่กล้านั่งเรือออกไปสุดขอบโลกขอบทะเลเขากลัวพอออกไปสุดขอบทะเลเหมือนจะมัอนจะตกออกเหมือนกับของที่จะหล่นจากโต๊ะลงไปเขาก็ไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลก็เลยไม่รู้ว่าสุดขอบฟ้าสุดขอบทะเลนั้นมีอะไรหรือเปล่า แต่มีคนนึงเข้ามาพิจารณาดูเขาว่าโลกนี้มันไม่แบนนะมันกลมเพราะเขาใช้หลักสังเกตว่าเวลาเรือเข้ามานี่ถ้ถ้ามันแบนมันต้องมาเห็นเรือพร้อมกันทั้งหมดเห็นทั้งเสาธงเห็นทั้งเรือตัวเรือแต่ทําไมเวลาเรือเข้ามานี้จะเห็นแต่เสาธงก่อนเห็นเห็นธงก่อนเห็นเสาก่อนแล้วก็เห็นตัวเรื อ, อก็สแสดงว่ามันมันไม่แบนมันโค้งมันวาว ส่วนที่สูงกว่ามันโผล่ขึ้นมาอนเหมือนเวลาคนขี่ม้าข้ามเขามาเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นมา้าโดยจะจะเห็นคนขี่ก่อนคนขี่มันสูงกว่ามา้าส่วนไหนสูงกว่าเราก็จะเห็นก่อนเขาก็เลยพิสูจน์ว่าโลกนี้มันไม่แบนโลกมันกลมแล้วเขาก็พิสูจน์ว่าถ้านั่งเรือไปที่นี้จะต้องกลับมาอยู่ที่เดิมเพราะถ้ามันกลมเขาก็เลยกล้านั่งเรือออกไปไม่กลัวที่จะตกออกไปจาก ขอบทะเลแล้วก็เลยได้ไปคน้นไปพบกับแผ่นดินใหม่ทวีปอเมริกาอย่างเงี้ยก็ไปเพราะเกิดจากคนที่ไม่ไม่กลัวว่าจะนั่งเรือไปแล้วเรือจะตกออกจากขอบทะเลไปอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เกิดจากคิดกันเองอันนี้เป็นความรู้ทางโลกความรู้ทางใจนี่ยิ่งยากใหญ่ ว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้รพระพุทธเจ้าคนเดียวที่รู้ว่าทุกข์ใจเพราะความอยากของเรานี่เองเดียเราเลยสบายเราไม่ต้องมาค้นคว้าเองทีนี้เราก็เอาความรู้เนี่ยมามามาพิสูจน์มาแก้ที่ตัวเราเวลาเราทุกข์เราลองถามดูเราทุกข์กับเราอยากอะไรหรือเปล่าอ <ö. S 1> ถ้าเราฉลาดพอเราจะรู้ว่าเราต้องอยากกับอะไรสักอย่างเวลาเขาด่าเราเราก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรรู้ไหม ทุกเพราะเราไม่อยากให้ก็ด่าเราก็ทางนั้นเองพอยอมให็ด่าก็ไม่ทุกข์เอ้ามึงอยากจะด่าก็ด่าไปนี่นี่คือปัญญาถ้าไม่มีคนสอนก็ต้องค้นคว้าเองแต่ถ้าค้นคว้าเองมันยากชาตินี้พวกเราโชคดีมีคนที่รู้แล้วมาสอนเราอย่างรีบศึกษากันให้มากๆฟังเทศฟังธรรมกันให้มากๆแล้วเอาไปปฏิบัติก็เอาไปพิสูจน์ คำถามต่อไปจากคุณนักการครับกราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูนั่งพุโทโธนิ่งแล้วนั่งพิจารณาท่านั่งของตัวเองอันนี้ถูกไหมครับได้ว่าเองนะหนูนั่งพุโทโธนิ่งแล้วนั่งพิจารณาท่านั่งของตัวเองอันนี้ถูกไหมครับไม่ถูกหรอกเวลานั่งพุทโธแล้วนิ่ ง, งให้นิ่งให้นิ่งเฉยๆอย่าไปพิจารณาอะไรให้อยู่กับความนิ่งไปนานๆ ตอนนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการพิจารณาอะไรทั้งนั้นต้องการให้จิตนิ่งนานๆให้จิตมีความสุขนานๆเหมือนแช่น้ําในตู้เย็นแช่มันนานๆน้ํามันจะได้เย็นแล้วพอออกมามันจะได้เย็นนานๆแล้วตอนที่ออกมานี่แหละจิตเย็นจิตมีความสุขเนี่ยเราไปพิจารณาได้แล้ะพิจารณาของต่างๆที่เราใช้ให้ความสุขกับเราว่าของพวกนี้มันไม่ดีเพราะว่ามันไม่แน่นอน บางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเราอย่าไปพึ่งมันให้ความสุขกับเราดีกว่าเลิกมันดีกว่าถ้าจิตเรามีความนิ่งมีความสุขเราก็จะเลิกมันได้คําถามต่อไปจากคุณต้องครับการที่เราพูดถึงคนอื่นในความไม่ดีของเขาผิดไหมเจ้าคะเพราะเราจะพูดกันว่าเราไม่ได้ว่าเขาแต่นี่เราคุยกันถือว่าเราเข้าข้างตัวเอง และจะบากใหม่เจ้าพักก็อยู่ที่เหตุผลของการพูดถ้ามีเหตุมีผลเช่นมันเกี่ยวข้องกับความเสียหายของผู้อื่นและเรามีหน้าที่ต้องต้องพูดต้องบอกแล้วก็พูดได้แต่ถ้ามันไม่มีเหตุผลอันใดก็อย่าไปพูดดีกว่าความชั่วความดีของคนอื่นก็ปล่อยเป็นเป็นเรื่องของเขาไปเราพูดเรื่องความชั่วของเราดีกว่า เราไม่ชอบดูความชื่อของเราชอบไปดูคนชั่อของคนอื่นถ้าเราดูความชื่อของเราเราจะได้เปลี่ยนตัวเราได้แก้ไขตัวเราได้คําถามต่อไปจากคุณพินแคนครับเมื่อนั่งไปสักพักเกิดอาการขาชาเวทนาแรงขึ้นจะขยับเปลี่ยนท่านั่งหรือทนต่อไปครับแต่ถ้าทนจิตมักจะหลุดจากพุทโธค่ะไม่ให้ทนต้องพยายามเกาะติดกับพุทโธไป พยายาพุทโธพุทโธไปแล้วอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วมันจะไม่ทรมานแล้วมันจะนั่งต่อไปได้แต่ต้องพุทโธยอมตายไปกับพุทโธเลยเกาะพุทโธไว้เป็นเหมือนกับเวลาเราตกน้ําล้วมีเราว่ายน้ําไม่เป็นมีชูชีพเนี่ยเกาะติดมันไว้เลยพุทโธนี่เป็นเหมือนชูชีพของเราเวลาที่เราเจอทุกขเวทนาเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือถ้าไม่เช่นั้นจะสวดมนต์ไปก็ได้เอตีปิโสอรหังสัมมาสวัสดา์โตสุปัตปันโนสวดไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วเดี๋ยวความทรมานใจมันจะหายไปแล้วเราจะเห็นว่าความเจ็บนี้มันไม่รุนแรงอที่รุนแรงคือความทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้มันหายเจ็บพอเราสวดมนต์ไปเราก็หยุดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่ทรมานแล้วเราก็จะอยู่คับ ความเก็บได้ต่อไปแต่ลราตอนตอนนั้นต้องขยันมากต้องพยายามสวดต้องพยายามพุทโธไปอย่าขี้เกียจเหมือนกับกาลังจะจมน้ำต้องถือว่าถ้าเราไม่พึ่งตัวเองเราก็ต้องจมนแน่ๆๆเราก็ต้องลุกขึ้นนี่ะนถ้าเราไม่สวดเราไม่พุทโธนี่เราจะนั่งต่อไปไม่ได้เราจะต้องขยับนี่แน่แต่ถ้าเราสวดไปรับรองได้ว่ามันจะไม่ไม่ต้องขยับแล้วต่อไปเราจะรู้จักวิธีสู้กับทุกขเวทนา ในระดับสติได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณพนมพรครับขอโอกาสครับพาะ อ, อาจารย์ในวันครบรอบวันเกิดของแต่ละปีอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้บุญสูงสุดครับในวงเล็บปกติทำบุญใส่บาตรสวดมนต์รักษาสิงห้าภาวนาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแบบนี้บุญจะถึงในสิ่งที่เราปรารถนาไหมครับก็ถึง แต่ถ้าเป็นอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ต้องไปกราบพ่อกับแม่ซื้อข้าวซื้อของเอาเงินเอาทองมาให้พ่อให้แม่บ้างไม่ใช่ไปทำบุญกับพระแล้วมาบอกพ่อแม่ว่าได้ทำบุญให้พ่อให้แม่แล้วมันไม่ถูกบุญก็ทำไปแต่บุญคุณที่เราต้องทดแทนก็ต้องทดแทนโดยเฉพาะวันเกิดทุกอย่างทุกอย่างที่เรา มีอยู่ในวันนี้ก็พ่อมีพ่อมีแม่หามาให้เรานี่ถึงเวลาที่เราต้องคืนนะมีอะไรก็ต้องคืนให้พ่อให้แม่ส่วนเขาจะยินดีเขาจะรับไม่รับนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องของเขาวันทีพ่อแม่เขาฐานะดีกว่าเราเขาก็สาธุ ข, ขับใจเขาไม่ต้องการก็ได้แต่เขาต้องการน้ำใจของพวกเรา อถ้าเราอยากจะตอบแทนนุนคุณใครเราก็ต้องไปตอบแทนกับบุคคลนะั้นไม่ใช่ไปตอบแทนกับที่อื่นแล้วก็มาบอกว่าทําบุญให้ท่านัล้วนะ <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่เอพาพ่อแม่ไปกินข้าวเอพ่อแม่ต้องการให้ทําอะไรรับชใช้พ่อแม่ปฏิบัติบูบชาทําให้พ่อแม่มีความสุขคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับลูกที่เห็นแก่ตัว เบียดเบียนพ่อแม่เอาเปรียบพ่อแม่เวลาซื้อของมาให้พ่อแม่ต้องจ่ายเงินคืนให้บาปไหมคะเพราะพ่อแม่ก็รู้แต่เต็มใจให้พอรักลูกก็ไม่บาปเพลงนี้ไม่ได้บุญไงถ้าอยากได้บุญก็ไม่ต้องก็เหมือนกับเอาซื้อของไปทําบุญกับพระพ่อแม่ก็เป็นพระเหมือนกันพ่อแม่เป็นพระพรของลูกเป็นพระอรหันของลูก ให้ข้าให้ของกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกับเป็นการทำบุญกับพระอระหันต์ทำบุญกับพระพรหมได้บุญมากคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแสงสุขครับโยมซื้อผลไม้มาเยอะโดยเอาไว้ทานด้วยใส่บาตรด้วยแต่ไม่ได้แยกส่วน <c oughs> ที่จะต้องถวายพระไม่ทราบโยมจะบาปไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่บาปแล้วก็เวลาจะถวายพระก็ยากเวลาไม่เลยนะแต่เวลาจะเก็บเก็บไว้รวมกันก็ได้เก็บไว้ในตู้เย็ยนอันเดียวกันก็ได้ ถึงเวลาจะจะถวายพระก็ เ, เอาส่วนที่เราจะถวายพระไปยกเว้นว่าเป็นของที่เราเอามากินแล้วเราแบ่งไปให้พระทีหลังนี้ก็อาจจะไม่สวยงามแต่ก็ยังทําได้พระเขาก็ไม่รู้สมมติเรากินกินแล้วกินไม่หมดอนะ่ะจะทิ้งก็เสียดายเดี๋ยวพวกนีเ้เอาไปใส่บาตรอันนี้ก็ได้ไก็เป็นเป็นเสียหายถ้าของมันไม่บูดไม่เน่ามันไม่สกรปรกไว้ก็ได้ไม่มีไม่มีปัญหาอะไร <laughs> ได้ไม่เห็นแม่จำสอนทำไม่ได้แต่ว่าเขาอยากเวลาทําบุญอยากเขาอยากให้เราทําเอาของดีๆที่สุดเราจะได้บุญมากกว่าเพราะการที่เราให้ของที่เรารักกับของที่ไม่รักนี่ผลมันต่างกันเวลาเราให้ของที่เราไม่รักเราจะไม่เกิดความปิติ <c oughs> แต่เวลาเราให้ของที่เรารักเนี่ยเราจะเกิดความปิติ ฉันรักแฟนมากๆนี่ยกให้คนอื่นไปได้ถ้าเกิดปิติถ้าเกลียดแฟนแล้วยกให้คนอื่นไปมันจะไม่เกิดปิติคำถามต่อไปจากคุณแหวนครับถ้ามีเวลาสิบห้านาทีสุดท้ายก่อนตายควรทำบุญอะไรถึงได้บุญมากที่สุดเ อ, อพุโทโธไปพุโทโธไปเนื้อฟองว่าดดความตายเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ยอมตายได้มันจะได้บุญมากที่สุดเดี๋ยว อ, อีกสัก2องสามคำถามนะครับตอนนี้คำถามสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายจากคุณนัฐการครับหนูสับสนว่าองคหลวงตาท่านเทศว่าไม่ให้ติดสุขมันจะออกยากให้เจริญปัญญาหรือต้องทำสมาธิให้หนาแน่นก่อนหรือเจ้าครับคือสุขนี่มันเป็นสุขสองแบบสุขที่ไม่เที่ยงกับสุขที่เที่ยง แต่ก่อนที่เราจะได้สุขที่เที่ยงนิมเราจะไปเจอสุขที่ไม่เที่ยงก่อนเช่นสุขที่เกิดจากสมาธิถ้าเราอยากจะได้สุขที่เที่ยงเราก็ต้องทิ้งถุกที่ไม่เที่ยงไปก็ต้องใช้ปัญญาอำถามหมดแล้วครับหมดแล้วนะเอ๋อเอาแค่นี้ก่อนนะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ